ยาซีเรียกเรื่องทหารแม่นปืนพลทหารในบังคับบัญชาของกองร้อยพลยิงทุกๆคน ล้วนแต่เป็นทหารที่แม่นปืนด้วยกันทั้งนั้นนอกจากพลทหารที่มีชื่อว่าแดงซึ่งมักจะยิงผิดบ่อยๆและบางทีก็หลงไปยิงเป้าของคนอื่นเข้าอีกในขณะฝึกซ้อมผู้หมวดบังคับกองร้อยของแดงก็มักจ ะ, มะโมโหด่าว่าแดงบ่อยๆแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ได้ผลนักในที่สุด ผู้หมวดก็ระเบิดเสียงตะโกนในขณะที่แดงฝึกซ้อมโอ้ยคนเอ้ยคนและยังคำรามต่อไปอีกว่าไอ้แดงมันเป็นนักยิงปืนที่หวยที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นไปในกองทัพไทยเลยว้ยต่อให้แกยิงช้างยืนห่างแค่สิบฟุตแกก็ยิงไม่ถูกแน่แน่เมื่อความอดทนถึงที่สุด ผู้หมวดก็ลืมตัวตะโกนสั่งไปว่าพลทหารแดงแกไปหลังโรงอาหารเดี่ยวนี้แล้วเอาปืนยิงขมองของแกให้มันรู้แล้วรู้รอดไปสิ้นเสียงสั่งพลทหารแดงยืนชิดเท้ารับคำสั่งทันทีแบกปืนตบเท้าวิ่งไปหลังโรงอาหารทันใดนั้นทุกคนคาดไม่ถึง เสียงปืนดังปั้งปั้งปั้งสามนัดทำลายความเงียบสงัดทุกคนกลั้นใจคอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้หมวดครางด้วยความตกใจคุณพระช่วยเจ้าแดงงัางมันโ ง, ง่จริงจมันทำตามคำสั่งของเราจริงๆด้วยสักอึดใจต่อมา ทุกคนเห็นพลทหารแดงวิ่งออกมาหลังจากโรงอาหารเข้าไปหาท่านผู้หมวดตบชิดเท้าทำความเคารพและรายงานด้วยเสียงอันดังว่าจริงอย่างผู้หมวดว่าครับผมเป็นมือปืนหวยจริงๆขนาดผมยิงขม่องตนเองยังผิดพลาดได้ครับผมเรื่องบางเรื่องถ้าเราพูดอะไรผิดไปแล้ว แก้ไขอะไรไม่ได้ในภายหลังระวังไว้ก่อนจะพูดอะไรจงคิดก่อนพูด